จรนายเหตุแห่งการขึ้นสวรรค์จดทำโดยอังคณามนธาทิปุลถึงตรงนี้คุณคงเห็นแล้วว่าถ้าจะนำสวรรค์ไปสาธยายเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นภาพและหายสงสัยคุณเองจำเป็นต้องรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรและทมบุญอย่างไรจึงได้ไปสวรรค์โดยตนเองเสียก่อน สวรรค์เป็นรางวัลทางธรรมชาติและเหตุที่จะทำให้ได้รางวัลก็คือบุญโดยในที่สุดผู้ให้รางวัลก็คือธรรมชาติในตัวเราเองดังนั้นถ้าสวรรค์จะมีจริงก่อนอื่นบุญก็ต้องมีจริงเป็นอันดับแรกหากผู้ป่วยไม่สามารถรู้สึกถึงบุญในตนได้ก็ยากที่จะคล้อยตามว่าตนสมควรมีเศษขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร ณจุดเริ่มต้นเพื่อการทำความเข้าใจเรามาดูแม่บทของบุญอันเป็นเหตุให้ได้ถึงสวรรค์กันก่อนหลังจากเข้าใจดีแล้วก็จะได้นำไปปราบประยุกให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละคนตามความเหมาะสมในภายหลังขอให้ทราบว่ากองบุญในธรรมชาตินั้นมีอยู่มากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งเราสามารถจำแนกให้ฟังง่าย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้แก่ทาทานเพื่อกำจัดความตรนีรักษาศีลเพื่อกำจัดบาปแห่งการเบียดเบียนกันและเจริญสติเพื่อกาจัดความหลงผิดทั้งปวงพูดง่ายๆโดยจุดประสงค์แบบพุทธแท้นั้นเราทำบุญเพื่อกำจัดกิเลสนั่นเพราะโดยธรรมชาติแล้วบุญยิ่งแข็งแรงกิเลกก็ยิ่งอ่อนแอ ความสว่างแห่งบุญยิ่งมากความมืดทึบแห่งกิเลสก็ยิ่งน้อยใครชำระคราบคลและความสกรปรกทางใจได้มากขึ้นเท่าไรจิตวิญญาณก็สะอาดคู่ควรกับพบหรือภาวะสูงส่งมากขึ้นเท่านั้นการจะชวนให้ผู้ป่วยเกิดความปีติในบุญมีแก่ใจนึกถึงบุญเกา่าและอยากทำบุญใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีอะไรดีไปกว่าเล่าเรื่องผลของบุญ ที่ไปปรากฏบนสวรรค์นี่เป็นทำนองเดียวกับการเล่าเรื่องผู้ชนะย่อมบันดาลใจให้อยากชนะบ้างมีแก่ใจภาคเพียรเพื่อจะได้ชนะบ้างในพระไตรปิฎกจะมีส่วนหนึ่งที่เล่าเรื่องวิมานสวรรค์โดยเฉพาะส่วนดังกล่าวชื่อว่าวิมานวัตถุปัจจุบันสามารถหาอ่านได้ทั้งหมดจากอินเทอร์เน็ตเพียงใช้คาค้นว่า วิมานวัตถกุก็จะพบมากมายหรืออาจเข้าไปที่เว็บผู้ให้บริการสืบคนพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเช่น8ป4 0 0 o r g แล้วคลิกที่พระสุตตันตปิฎกเล่มที่18ก็จะพบเรื่องราวเกี่ยวกับวิมานสวรรค์มากมายคุณสามารถนำมาบอกเล่าให้ญาติฟังได้นานทีเดียวคำพีวิมานวัตถุหรือว่ารวบรวมคำให้การของเทวดาโดยมีพระเทระผู้ใหญ่ ผู้ทรงอภิญญาของพุทธศาสนาไปสัมภาษณ์ถึงที่พำนักของเหล่าเทพลองมาดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นแนวทางว่าทำบุญอย่างไรได้ผลข้างบนโน้นแบบไหนกันสวรรค์อันเกิดจากศรัทธาบูชาพระพระวังคีสาเทระเป็นพระผู้มีอภิญญาและความสามารถในเชิงวัณณิน ครั้งหนึ่งท่านอาศัยอภิญญาท่องสวรรค์ไปเห็นวิมานของนางฟ้าที่น่าประทับใจเข้าองค์หนึ่งจึงใช้วันสินสันเซินต่อหน้านางเป็นใจความว่าดูก่อนแม่เทพธิดาอาตมาได้เห็นวิมานของท่านนี้กิมุงบางด้วยขายแก้วผลึกขายเงินและขายทองคําพื้นที่ขนัดแน่นด้วยต้นไม้นาน า, นาพันอันแข่งดอกออกใบวิจิตเป็นระเบียบงานตาน่าเรื่นรมนัก นอกจากนั้นยังมีซุ้มประตูอันประดับแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการลานวิมานเรียรายไปด้วยทรายทองละเอียดสวยตัวเรือนวิมานสว่างยุรัศมีแพร่พิลลาดเรืองรองาศาสส่องไปทั่วทุกทิศดุจดวงอาทิตย์กำจัดความมืดมนอนทกการหรือปานแสงเปเลวเพลิงอันลุกโชนชัชวานอยู่บนยอดเขาราตรีการหรือคล้ายกับการลืมตาขึ้นประทะแสงฟ้าแลบในทันทีทันใด ก็วิมานี้ลอยอยู่ในอากาศกัางวานเสียงเครื่องดนตรีอันได้แก่พินใหญ่กลองและกังสดานประโคมอยู่มิได้ขาดระยะเมืองพระอินมั่งคั่งไปด้วยสมบัติทิพปปานใดวิมานของท่านนี้ก็ปานนั้นแหลอาตมาได้กลิ่นหอมฟุ้งจากสวนทิพันตั้งอยู่ที่ริมฝั่งสะโบขรนีมีดอกปทุมดอกโกมุตดอกอุบลดอกจงก น, นี ดอกขัดเข้าดอกพุทซ้อนดอกกุหลาบดอกอังกาบดอกรังดอกอโศกแยมกลีบต่างแข่งกันส่งกลิ่นกระทบนาสิกรโรวยรื่นยิ่งไปกว่านั้นสวนทิพย์ของท่านยางเรียงรายไปด้วยไม้หูกวางขนุนสัมมลอและต้นไม้กลิ่นหอมนานาพันธ์มีทั้งไม้เลือจูดอกออกช่อห้อยย้อยเกาะกายลงมาจากปลายใบต้นตาและมะพร้าวคล้ายกับรวมแก้วมณีและแก้วประพาน ดูสมเกียรติผู้ครอบครองที่เรืองยศเซนิกระไรอันหนึ่งต้นไม้และดอกไม้ทั้งหลายซึ่งเป็นต้นไม้เกิดอยู่ในน้าและบนบกทั้งที่เป็นรุกคชาติซึ่งอาตมาเคยพบในเมืองมนุษย์และทั้งที่อาตมาไม่เคยเห็นในเมืองมนุษย์วิมานของท่านนี้ก็มีอยู่พร้อมดูก่อนนางเทพธิดาผู้มีคนตางอนงามโปรดตอบเธอว่าสมบัติอันเป็นทิพย์ทั้งหมดนี้ เป็นผลแห่งการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจและการฝึกตนแบบไหนลำดับนั้นนางเทพธิดาตอบว่าพระคุณเจ้าเจ้าขาดูเอาเถอะในอนณาเขตวิมานของดิฉันนั่นฝูงหงส์นกกรเรียนไก่ฟ้านกกดและนกเอาไฟพวกมันพากันเที่ยวร่อนร้องไปมาในอากาศนั่นหมูนกนางนวลนกกระทุงและพญาหง์ทองอันเป็นนกทิพย์ พวกมันเที่ยวบินไปมาอยู่ตามลำน้ำํานั่นฝูงนกเป็ดน้ํานกค้อนหอยนกดูว่าวลายนกดูว่าวขาวพวกมันพากันส่งเสียงอื่นคันึงพระคุณเจ้าเจ้าขาดิฉันได้วิมานี้ด้วยเหตุอันใดเนืหรือดิฉันจะเล่าเหตุผลอันนั้นถวายแด่พระคุณเจ้าเดี๋ยวนี้นิมนต์ฟังเถอะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อนาละกาก า, ามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครราชพฤก์ ดิฉันเป็นบุตรสะพยประจำตรูลผู้คนในหมู่บ้านเรียกดิฉันว่าเสสะวดีดิฉันมีใจชื่นบานได้สร้างกุศลธรรมไว้ในชาตินั้นเช่นบูชาพระธาตุของพระธรร ม, มเสนาวดีนามว่าอุปติสะซึ่งถวยเทพและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายพากันบูชาด้วยเครื่องสการะนานับประการล้วนแต่รัตนและดอกคาแม้ท่านจะดับขันเข้าพระนิพพานไปแล้ว แต่ดิฉันได้ถวายเครื่องสักการะบูชาพระาธาตุของท่านอยู่ในโลกมนุษย์คนแห่งการบูชาพระาธาตุแห่งองค์ท่านเป็นนิดก็คือการได้มาเกิดในดาวดึงสวรรค์ชั้นไตรทศเช่นนี้เองสรุปแล้วนางเทพธิดาผู้มีสมบัติทิพนั้นทราบด้วยภาวะอันเป็นทิพว่าผลตอบแทนทางธรรมชาติที่เป็นวิมานลลานตาด้วยเครื่องประดับและสัตว์ประดับหลากหลาย ได้มาก็ด้วยเพราะเคยสร้างเหตุไว้คือกราบไหว้พร้อมด้วยเครื่องบูชาแด่พระอาธิธาตุขององค์อรหันต์นางว่าอุปติสักแน่นอนว่านางจะต้องบูชาด้วยจิตอันเคารพรักเทิดทูนในองค์อรหันต์นบนอบด้วยกิริยางามละมุนจึงนับว่ากรรมเด่นในครั้งเป็นมนุษย์คือบูชาผู้ควรบูชากรรมนั้นสำเร็จแล้วทาแล้วตลอดชีวิต และนางก็มาประจักษ์ผลหลังตายอยู่นั่นต้องเข้าใจว่านางทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจอื่นๆด้วยโดยใจความสรุปคือไม่ใช่ผู้ถุศินไม่ใช่ผู้ตรณีจึงได้มาสู่สวรรค์แต่เมื่อต้องตอบคำถามพระวังคีสะเทระที่ว่าวิมาและสิ่งประดับอันเป็นทิพย์งดงามเห็นปานนี้ได้มาแต่กรรมเด่นอันใด นางก็ต้องตอบว่าจากการบูชาพระธาตุด้วยความเคารพยิ่งความรู้จากเรื่องของนางเทพธิดาตอนนี้ทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าเมืองสวรรค์หาใช่อื่นไกลมีใช่จะจินตนาการไม่ถูกเอาเลยเพราะในภาวะอันเป็นทิพนั้นมีบางส่วนคล้ายคลึงกับวัตถุตลอดจนสัมสั์สวยงามบนโลกมนุษย์นี่เองอย่าเป็นห่วงว่าจะต้องไปปรับตัวปรับใจกันใหม่ เช่นไปเจอเทพธิดาแปดขามาสี่ตาหรือปลาสองหัวเมื่อนึกถึงสวรรค์คุณอาจนึกถึงสนามกอล์ฟอันกว้างใหญ่มีไว้ให้มหาเศรษฐีระดับโลกเดินเล่นอนาบริเวณสลับเรียงด้วยพื้นเรียบและเนินสูงต่ำไกลลิบลับสุดลูกหูลูกตาปูลาดด้วยหญ้าเขียวขจีกับทั้งมีต้นปาล์มตัดแต่งเป็นระเบียบอย่างนี้คงนึกได้ และถ้าจะหาตัวอย่างวิมานสร้างด้วยแก้วอันเป็นทิพย์ก็คงต้องนึกถึงพระอุโบสถที่เห็นจากระยะไกลในวัดพระแก้วไปพลางๆขาดอยู่ก็ตรงที่ไม่มีการมุงบังด้วยขายแก้วผลึกขายเงินและขายทองคำเท่านั้นพูดให้ง่ายคือสวรรค์คือการยกระดับชั้นความงดงามของปราสาทราชวังที่ว่ากันว่างามที่สุดในโลกแล้วยังข้ามล้าไปไม่เห็นฝุ่น และที่นั่นก็ไม่มีฝุ่นทุลีจริงๆแม้แต่ทรายก็เป็นทองคําละเอียดดังที่คุณได้ฟังถ้อยคําพันนาอันไพเราะมาแล้วจริงๆไม่ต้องบูชาพระธาตุเสมอไปก็ได้ตัวอย่างเช่นในเรื่องมริกาวิมานซึ่งนางเทพธิดามลิกาให้การต่อพระนารทะเทระนางก็เล่าว่าที่ได้มีกายปกคลุมไว้ด้วยร่างแหทองคําเหลืองอาราม แต่งแต้มด้วยแก้วไัยทูลแก้วทับทิมแก้วมุกดาและจินดามณีก็เพราะอาจิตผ่องใสไปบูชาพระบรมาศาสดาเท่านั้นเ<ๆ>ทียบได้กับที่คุ ณ, ค, ณคุณหลายคนสวดมนต์อิติปิโสถวายแทนเครื่องบูชานั่นเองสำคัญคือคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเงื่อนบุญของนางมาริกาคือจิตที่ผ่องใสเ ป, เป็นพิเศษขณะทาความเคารพบูชาทุกครั้ง ไม่ใช่สักแต่กรา บ, ราบตามมีตามเกิดด้วยใจที่แห้งแล้งเหมือนบางคนจากกรณีของนางเทพธิดามาลิกาก็น่าให้คิดด้วยว่าอาพอรอันบันดาลขึ้นจากกรรมหรือผิวพรรณที่บันดาลขึ้นจากกรรมล้วนเป็นผลสะท้อนสภาพแห่งใจในขณะทำบุญนั่นเอง